บทส่งท้ายเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มก้าตอนวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็กอีกวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็กอีกและแต่ละคนเอ็นดูเด็กด้วยความรู้สึกภายในที่แตกต่างกันเห็นแล้วอยากเลี้ยงอยากมีลูกสะท้อนจิตใจแบบพ่อแม่เห็นแล้วอยากเล่นด้วย แสดงว่านึกถึงวัยเด็กอยากกลับไปเป็นเด็กอีกเห็นแล้วอยากสอนแปลว่าเกิดความกระตือรือร้อนอยากเป็นครูเห็นเด็กแล้วอยากมีส่วนสัมพันธ์อย่างไรหรืออยากให้อะไรกับเด็กมักเป็นความนึกคิดชั่ววูบชั่วว่าบที่เด็กๆเข้ามากระทบตาพอไม่เห็นเด็กก็เลิกคิดแต่หากมีความปรารถนาที่ตั้งมั่นอยู่ในใจ แม้ไม่เห็นก็คิดอยู่เรื่อยๆอยากเลี้ยงเด็กอยากเล่นกับเด็กหรืออยากสอนเด็กอันนั้นพอบอกได้ส่วนหนึ่งว่าคุณเป็นพวกชอบอบอุ้มคนอื่นมีความใยดีให้คนอื่นปรารถนาให้มนุษยาชาติอยู่รอดอยากสืบทอดพงพันมนุษย์ให้มีต่อไปโดยสวัสดีน่าเสียดายเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นเช่นนั้น พ่อแม่ยุคใหม่มีความเห็นใจตัวเองสูงรู้สึกว่าต้องมีลูกเพื่อเติมเต็มชีวิตตนให้ครบครบแต่ไม่คิดถึงการให้เวลากับลูกอย่างเพียงพอไม่ตระหนักว่าการมีลูกนั้นคือการตัดสินใจจะแบ่งเวลาและสมบัติส่วนหนึ่งให้กับเด็กแปลกหน้าที่จะเข้ามาเป็นอุ้นส่วนชีวิตตนนี่ยังไม่นับการมีลูกโดยไม่ตั้งใจ มีมันทั้งไม่พร้อมอย่าว่าแต่จะคิดวางแผนให้ลูกเติบโตกันอย่างไรการเลี้ยงลูกเป็นกรรมใหญ่ชนิดหนึ่งเพราะสะท้อนว่าคุณจะเป็นลูกที่ถูกเลี้ยงแบบไหนในครั้งหน้าที่มีวาสนากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกพูดอีกทีคือการเลี้ยงลูกเป็นกรรมของแต่ละคนที่กว่าจะรู้ผลว่าเป็นอย่างไร ก็ต้องรอมีโอกาสเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกครั้งเมื่อคุณเป็นผู้ใหญ่มีสิทธิ์ให้คุณให้อะไรกับเด็กพอคุณต้องเป็นเด็กอีกเหลือสิทธ์แค่รับคุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณเคยให้กับเด็กมาแล้วแม้สิ่งที่ให้นั้นจะเป็นความไม่ใหญ่ดีก็ตาม เสียงอ่านหนังสือเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มก้าวงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้นำเสียงบรรเลงเป็นโนมาประกอบขอบคุณคุณรุ่งทิพย์ดวงพยับที่กรุณาส่งต้นฉบับมาให้อัดเสียงขออนุโมทนาทุกท่านเวณาที่นี้สัพพาทานังธรรมะท่านังชินาติการใหธรรมะชนะการใหทั้งปวง ร่วมเผยแพร่สำนาวแจกจ่ายได้ฟรีโดยไม่ต้องขออนุญาตเรื่องราวมากมายที่เพียงคนหาที่เห็นเป็นโชคชืตาบิคิดชิลิตผู้คนอาดเคยน้อยใจและยังสรับสนกับปัญหามากมายวกวน กับฉันได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุคือใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทน เธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอย่าให้ลองดูเรื่องกรรมคือการกระทําของเธอแม่คิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายอาจลึกลับแต่มันคง การส่ง n ลข้ากันเคยทอะไรทำดีหรื้